แต่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของอวิธุระบรัณฑิตต่อไปแต่ถ้ว่าวันนี้อาจจะมาต้องขออภัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสักนิดหนึ่งเพราะว่าการที่พูดมาในวันก่อน มันเป็นการเร่งรัดจริงๆเพราะว่าเทปบันทึกเสียงขาดมาเป็นเดือนๆการเร่งรัดก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยๆการใช้ส ม, มองก็ไม่ทันกับเวลาสาหรับเรื่องของท่านวิทุรบัณฑิตนี้มีตอนหนึ่งจัดว่าเป็นตอนสาคัญคือเมื่อวันก่อนที่ผ่านมันแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้น มันเป็นวันที่เรียกว่าอ่านกันตามหนังสือจริงๆไม่มีการวินิจฉัยแต่ว่าเรื่องที่จะวินิจฉัยก็เห็นว่าไม่ควรวินิจฉัยเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าของท่านดีอยู่แล้วถ้ามีอะไรไปต่อเติมถ้าเข้าบางทีอาจจะเป็นการทำลายความดีคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่สาหรับวันนี้ขอย้อนต้นอีกนิดหนึ่งที่จงที่ว่าเมื่อท่านพระราชากรพยะในขอต่อท้ายเลยนะเมื่อพระราชาท่านกรพยะตอนตอน้นตอนที่ปุณณกยักษ์จะต้องการท่านวิธุระบัณฑิต ท่านให้สัญญากับวิทุระวันดิตว่าการแพ้คราวนี้หรือว่าถ้าหาว่าพนันสกาแพ้จะต้องการอะไรท่านก็ให้เว้นไว้แต่หนึ่งพระองค์ท่านสองพระมเหสีแล้วก็สามสวกชัตขั้นว่าท่านแพ้เข้าจริงๆก็ปรากฏว่าวิธุรปุณละกยักษ ต้องการท่านวิธุระบัณฑิตพอบอกว่าต้องการวิธุระบัณฑิตท่านก็ใจหายท่านย่ยมเลด้บอกแก่คุณกายากว่าวิทุระบัณฑิตเนี่ยเหมือนกับตัวของฉันแล้วก็เหมือนกับคนของทั่วประเทศทั้งประเท ศ, ท, เ ท, ศท่านนี้เพราะว่าท่านเป็นเจ้ามณีแก้ามณีอันสดใสทําจิตใจคนให้เบิกบานต่อมา การที่แสดงออกแบบนี้ก็แสดงว่าท่านมีความกตัญญูรู้คุณแกวิทุระบัณดิตที่มีเป็นผู้ทรงธรรมและก็สอนธรรมบคุคคลให้มีความสุขจะหาว่าท่านเป็นคนตรัสตะ บ, บัดสัตย์จะหมายความว่าเป็นคนกลับกรอก็ยากอยู่พราว่าวิทุระบัณดิตเป็นหัวใจของคนทางประเทศก็เป็นความหวังดี แต่ได้ว่ามาตอนที่ปุณณกยักษ์ถามมิทธุรบัณฑิตว่าท่านเป็นเพื่อนหรือท่านเป็นทาสหรือท่านเป็นมิตรที่ดีของพระราชาท่านมิทธุรบัณฑิตก็บอกว่าเราเป็นทาสโดยสําเนิดท่านนี้ถ้าฟังไปแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีเจตนาดีทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายแรกจะพูด กลับกรอกจากความเป็นจริงไปบ้างแต่ก็เป็นการหวังดีอีกรายการหนึ่งมุ่งในธรรมปราถนาย่สงเคราะห์ให้กัคนอื่นทั้งหมดมีความสุขด้วยเป็นว่าถึงแม้ว่าท่านท่านจะพลาดสัจจะไปนิดหนึ่งแต่ก็โดยการหวังในธรรมนักธรรมนี่เขาปฏิบัติกันอย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท คติของนักปฏิบัติในธรรมเขาถือว่าหนึ่งเราจะยอมเสียทรัพเพื่อรักษาอาวัยวะแล้วก็ถ้าจําเป็นเราจะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตถ้ามีความจิตจำเป็นจริงๆเราก็จะยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมฉะนั้นพระเจ้าโกรพยะ ท่านพยายามยอมเสียทุกอย่างไม่ตด้ศักดิ์ศรีแต่เพื่อรักษาวิธุระบัณฑิตไว้เพราะว่าวิธุระบัณฑิตเป็นผู้ทรงธรรมคนในประเทศนั้นจะมีความสุขก็เพราะว่าท่านวิธุระบัณฑิตนี่รรมดาย่าโยมพุทธบริษัทเห็นน้ำตะไทยของท่านท่านยอมเสียเพื่อคนดีเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ไพศาล นี่ถ้าเราจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งเราก็ต้องเห็นน้ำพระไทยัยของพระเจ้าตากสินมหาราชและก็สมเด็จพระพุทธ ย, ยอดฟ้าจุฬาโลกทั้งสองท่านนี่ก็ยอมเสียศักดิ์ศรีด้วยประการทั้งวงเป็นอ น, นว่าพระเจ้าตากสินยอมเสียศักดิ์ศรีในอันดับแรกที่ทําตนเหมือนขนบ้า นั่นยอมเสียศักดิ์ศรีคือยอมเสียยศตำแหน่งคือความเป็นพระราชาสำหรับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็อยอมเสียศักดิ์ศรีในฐานะที่ตนต้องมีคนเข้าใจว่าเป็นขบฏแต่ถ้าว่าความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำไปด้วยเจตนาดีทั้นี้ก็เพราะว่าในระหว่างนั้นประเทศไทยเราเป็นหนี้เขามาก และก็เป็นหนี้พ่อค้าแบบประชาชนเงินต้นจะไม่มีให้เขาแถมเงินปลายขึ้นดอกเบีย้ยเขาก็จะมาเก็บเขาจะเก็บทั้งเงินต้นและเงินปลายถ้าเงินที่มีอยู่ถ้าให้ไปก็หมายความว่าไทยเราทั้งชาติจะไม่มีเงินใช้ขั้นการทั้งหมดพระเจ้าตากสินไม่มีเงินจ่ยายจะต้องทำยังไงก็ต้อง ปัญหเป็นว่าต้องทําเป็นแบบเปลี่ยนแผ่นดินถ้าจะเปลี่ยนแผ่นดินคือเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินเฉยๆเขาจะเชื่อได้อย่างไงเขาก็ถือว่ายังมีสิทธิ์ในการทวงนีการเป็นหนี้พระเจ้าจะสินเป็นหนี้เป็นผู้เซ็นสัญญาฉะนั้นก็ต้องตัดสินวไทยยอมยอมเสียชื่อยอมเสียตําแหน่งพระราชา แกล้งทำเป็นบ้าและก็ให้พระเจ้าพระพุทธสเด็จยอดฟ้าจับจับแล้วก็สั่งประหารชีวิตสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าในตอนแรกท่านไม่ยอมปฏิบัติตามก็ว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้้ว่าพอทราบเนื้อแท้ความจรงิงก็ได้ว่าจำใจจำเป็นจำจะต้องทำ <c oughs> และเป็นการตกลงกันในการข่าวนั้นว่าการไปตีเขมิงข่าวนั้นให้อำวราชโอรสขอาพรเจ้าตักสินไปด้วยถ้าตีได้ก็ให้ลูกชายท่้นคลองอยู่ที่นั่นนโยบายทั้งหมดนี้ทําเพื่อชาติเป็นนักเสียสละแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆการที่พระเจ้าตากสินต้องถูกลงพระชน ตอนนี้ในเมื่อเบื้องต้นมันเป็นนโยบายตอนหลังก็เป็นนโยบายเหมือนกันภายหลังจึงมาทราบกันว่าพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้ทรงสิ้นพระชนแต่แต่ว่ากลับเป็นนักบวช ท, ที่ทรงธรรมจำศีลอยู่แห่งหนึ่งในเขตนครศรีธรรมราชนี่แหละบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคนไทยเราที่ดี แต่ว่าตอนเสียชื่อเสียงยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อชาติและปวงชนชาวไทยมีมาแล้วตอนนี้เราก็ไปมองเข้าไปเจ้าโกรรพยะกมิทุรบัณฑิตบ้างถ้าเจ้าโกรรพยะก็ยอมเสียชื่อเพื่อหวังจะได้ป้องกันมิทุรบัณฑิตไว้แต่ว่าท่านมิทุรบัณฑิตก็ดีเหลือใจเป็นผู้ทรงธรรมจริงๆ ท, ทั้งท่านได้รู้ว่าตัวจะต้องจากลกูกจากเมียจากประเทศชาติจากพระราชาอันเป็นที่รักแต่ก็เพื่อรักษาสัจจะวาจาจึงได้บอกความจริงกับวิทุระกปุณกยักษ์ว่าเราเป็นทาตถึงแม้ว่าพระราชาจะคิดยังไงก็จำยอมเพื่อรักษาธรรมตอนนี้ท่านเป็นคติดีท่นนี้ก่อนที่เมื่อพระ เมื่อวิธุระบัณฑิตจะต้องไปกับปุณณกยักษ์พระราชายในขอความเมตตาชวิธุระนะปุณณกยักษ์ว่าไหนไหนท่านบัณฑิตจะต้องไปกับท่านแล้วจึงได้ถามความจึงได้ถามการปฏิบัติพุทธวิวาคือฟังธรรมะเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> ในเรื่องครวัวาทผู้ครองเรือนจะต้องปฏิบัติอย่างไร อาตมาเห็นว่าเรื่องนี้มีความดีมาก <c oughs> แล้วก็ถ้าจะาถามอาตมาเองอาตมาเองก็ไม่มีความสามารถจะอธิบายได้อย่างนี้จึงขอย้อนถอยหลังไม่ครั้งหนึ่งเพื่อการฟังและเพื่อหวังการประโยชน์และในการอีสองการพูดในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังก็ไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังผลประโยชน์ในการเงินการทอง ต้องการให้บรรดาท่านผู้บริษัทได้ทราบชัดว่าองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัตริโสภาคคือพระพุทธเจ้าของเราทรงบัิมาในโลกเพื่อต้องการความสุขแก่ปวงชนชาวโลกทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตมนันยมุ่งเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอนนี้ไปก็ขอนำมาเรื่องราวเรื่งความเป็นครวัต ที่ท่านวิธุระบัณฑิตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเกิดเป็นธุระบัณฑิตในชาตินั้นเป็นอั้นว่าเมื่อพระราชาทรงถามว่าขอท่านจงสนแสดงแก่เราในในเรื่องคราวญาจะต้องครองเรียนทำยังไงมันจริงจะต้องเป็นมันจริงจะเป็นความสุขฟังท่านอีกครั้งหนึ่งในญาติโยมพุทธบริสัท ท่านมิทวิธุระบันดิตจึงได้กราบทูลว่าผู้ที่เป็นกระหัสอยู่ครองเรียนจะต้องประพฤติอย่างไรจึงจะปลอดโปรง่งจึงจะได้คิด ว, ว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีเว้นจากความเบียดเบียนมีคำสัตว์เวลาละจะโลกนี้ไปแล้วจะได้ไม่เศร้าโศก ทำอิีธระบันิตว่าผู้ครองเรียนไม่ควรครบหญิงสาธารณะเป็นพัญญาตอนนี้ต้องคิดนะคำว่าหญิงสาธารณะนี่หมายความว่าเป็นผู้ขายตัวท่านบอกว่าคนขายตัวประเภทนี้ไม่ควรจะเอามาเป็นพัญญา แต่ว่าความหมายนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นเคราวาสย่อมรู้ว่าจะมีดีหรือไม่มีดีเป็นประการใดสำหรับอาตมาเป็นพระก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านเพราะความเป็นคราวาสในพระรู้ได้ยากล้วต่อไปท่กล่าวว่าไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียว จุดนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่พูดเดียวเนะี่ยคนอื่นเขาจะมองเป็นในแง่ร้ายว่าเราเป็นผู้มักมากในรสอาหารอย่างหนึ่งในราการหนึ่งถ้าเรากินอร่อยคนเดียวมันก็ไม่เป็นสุขเพราะเป็นที่ระเกงข้าพเ้ที่ร่วมกินด้วยกันตามพระบาลีบทหนึ่งที่มีอยู่ว่าเนกาสีล ะ, ะเบเตสุ ข, ขัง การกินคนเดียวไม่มีความสุขถ้าเรามีอะไรกินแบ่งคนนั้นบ้างแบ่งคนนี้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่พอกับการบริโภคให้อิ่มแต่ก็เป็นการได้กำลังใจของบุคคลที่เราแบ่งให้เป็นการสร้างความรักและการสร้างความสามาคัคคีความไม่อยู่มันก็เป็นสุขอีจุดหนึ่งที่บอกว่ารักษาศีล และประพฤติตามทำนองครองธรรมสี่นี้เป็นปัจจัยของความสุขของคนทุกคนหรือ ว, ว่าคนทุกคนหนึ่งไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตของเราสองไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยยื้แย่งทรัพย์สินของเราสามเราไม่ต้องการให้ใครมาแย่งคนรักของเราและก็สี่เราไม่ต้องการฟังคำเทศ ข้อห้าเราไม่ต้องการบ้าในเมื่อเราไม่ต้องการอย่างนั้นคนอื่นเขาก็ไม่ต้องการอย่างนั้นในเมื่อต่างคนต่างไม่ทำลายชีวิตสิ่งกันและกันไม่เป็นทุสธร้ายสิ่งกันแลกันไม่รักไม่ขโมยไม่คอยโกงกันไม่แย่งคนรักกันพูดแต่ความจริงมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ คนประเภทนี้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่นั่นในรายการต่อไปธรามบวชจงประพฤตตามทานองครองธรรมประพฤตตามทานองครองธรรมนี่ถ้าหักราวัตก็ควรจะเป็นสังฆหวัตโทสีคือหนึ่งทานการให้มีการสงเคราะห์ยื่นโยนกันด้วยปัจจัยคืออมิตรเดกสิ่งของ เขาขาดเราให้เราขาดเขาให้ใจมันก็เป็นสุขรายการที่สองปิยวาจาเวลาที่จะคุยกันก็คุยกันด้นวาายวาจาไพเราะวาจาใดที่เป็นเครื่องสะเทือนใจคนอืน่นเราไม่กล่าวอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้สร้างความรักความสามัคคีในราการที่สามาจริยา ช่วยทําการงานกันทุกอย่างถ้าไม่เกินความสามารถของเราสสมานตะตาเราไม่ถือตัวเกินไปนี่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามทํานองครองธรรมของคราวญซึ่งก็เป็นของธรรมง่ายๆเป็นการรักษากําลังใจสิ่งเมียวกันนี่การเป็นคราวญก็เป็นเหตุให้ทรงความสุข ในข้อต่อไปท่านบอกว่ารักษาวงตระกูลไว้ให้วัฒนาถาวรคําว่ารักษาวงตระกูลให้วัฒนาวัฒนานี่แปลว่าเจริญถาวรแปลมั่นคงก็หมายความว่าจงรักษากันไว้ด้วยความสามคัคคีมีคติคือสังขาวัตถุมีศีลมีทานแล้วก็มีพรหมิหารสี่ประจําใจ ก็มิหารสี่ก็ได้หนึ่งเมตตาต่างคนต่างรักกันสองกรุณาก็กรุณาต่างคนต่างสงสารกันเกื่อกนกันสี่มุทิตาต่างคนต่างไม่อิจฉาดิสยาสิง ก, กันละกันแล้วก็ห้าอมเบคาทกรณีใดๆไม่เกิดขึ้นทิ้งความโกรธจะมีขึ้น การเพียงพราหมณเขาพูดเดียวกันจะมีขึ้นวางเฉยไว้ก่อนจะเพิ่งเอาโทษเอาไว้มาพูดกันเมื่อเวลาหายโกรธจะมีประโยชน์ในความสามัคคีสร้างความเป็นสุขกายสุขใจให้เกิดขึ้นข้อต่อไปเร่งกล่าวว่าไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างคำว่าไม่ประมาทนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกกนราชทรงสรรเสริญมาก เพราะความระหมาทเป็นทางของความตายคำว่าไม่เป็นไรในการครองชีพคำว่าไม่เป็นไรในการระมัดระวังรักษาทรัพย์สินคำว่าไม่เป็นไรในการประสานความสามัคคีจงอย่ามีขึ้นจงคิดไว้เสมอว่าถ้าความระหมัทพลาดครั้งมีเมื่อไรไม่ระมัดระวังความดีไว้ความชั่วมันจะปรากฏ นั่นมันจะมีผลเป็นทุกข์ท่านบอกว่าไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุมีผลเป็นไปตามความยุติธรรมนักเสียธรรมนักถือธรรมเป็นใหญ่แล้วก็ต่อไปท่านบอกว่าไม่แข็งกระด้างต่อผู้ใหญ่แม้ตัวนี้เนะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> มันเป็นสเสน่ห์มหาศาลอภิจายนกรรม ทำเป็นเครื่องอ่อนน้อมเป็นการสร้างความเป็นมิตรเป็นการสร้างเมตตาบางท่านที่หาด็กดุดเมตตาหากระถาเมตตาหาแปง้งเมตตาก็หาอะไรต่ออะไรเมตตาใช้วิชาความรู้สร้างความเมตตาเป่ากระถาคมมันประโยชน์น้อยแล้ออาจจะไม่มีเลยแต่ว่าท่านเป็นคนแข็งกระด้าง แต่ว่าท่านเป็นคนอ่อนโยนมีความเคารพนับนอกให้การเคารพต่อผู้ใหญ่ไม่แข็งกันด้างหากว่าผู้ใหญ่จะ พ, พลาดพรั้งไปบ้างเราก็ไม่ดึงดันถือว่าเราวิเศะกว่าบางทีเราท่านสั่งอะไรมาถ้าบางอื่นเป็นการบังเอิญที่การสั่งของท่านพลังพล้งพลาดจากความเป็นจริงตอนนี้เราจะใชอยังไง ถ้าปฏิบตัติตามไปเราก็พังถ้าไม่ทำตามท่านถือว่าเป็นการขัดคำสั่งอันตรายมันก็จะเกิดก็ต้องใช้วิธีโบราณโบราณท่านบอกว่ามีนายทหารท่านหนึ่งท่านแม่ทัพสั่งให้เครื่องกำลังเข้าตีฆาสศิษย์แต่นี้ท่านแม่ทัพท่านอยู่หลังทัพ ท่านไม่ได้เข้าใจเรื่องหน้าทัพไม่เห็นความเป็นจริงข้าศึกมีกําลังเข้มแข็งมากแต่เคลื่อนกําลังเข้าไปก็ไม่ต่างอะไรกับแมลงเม่าจะเข้ากองไฟตอนนี้ถ้ายัางไงท่านนายทหารผู้นั้นถ้าจะคัดค้านก็เป็นการแข่งกันด้านต่อผู้ใหญ่ท่านจะเล่าความเป็นมาของข้าศึกให้ท่านแม่ทัพทราบ และก็ท่านก็หาเรืองด้วยปัญญาของท่านว่าทําอย่างนี้จะดีไหมครับทําอย่างนั้นจะดีไหมครับในที่สุดท่านแม่ทัพเห็นชอบโดยสั่งตามนั้นเมื่อท่านรับคำสั่งเอาไปแล้วแทนที่ท่านจะไปประกาศกาถทหารว่าท่านแม่ทัพมาสั่งการเพิ่งพระราช เนื้อแท้จริงๆนะไอ้ที่จะทําอย่างนี้ที่เราได้เปรียบกับข้าศึกเป็นเรื่องของฉันถ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านกล่าวแกทหารทั้งปวงว่าอันนี้เป็นความหินของท่านแม่ทัพเป็นมันสมองของท่านแม่ทัพเป็นว่าเป็นเรียกว่าเป็นปัญญาที่เฉลิข์ฉลา่ยของท่านแม่ทัพพวกเราจรึงชนะข้าศึก ถึงแม้ว่าเราจะมีกำลังน้อยแต่ถ้าว่าแม่ทัพมีความเข้มแข็งมีความละเอียดอ่อนในด้านความคิดแล้วก็มีความเฉลยลาดในปฏิพันธ์ปัญญาอย่างนี้พวกเราจึงจะปลอดดจึงได้ปลอดภัยนี่เป็นอนุว่าเวลาที่แตงค้านผู้ใหญ่ก็ไม่โกรธเมื่อผู้ใหญ่ได้ฟังถ้อยคำที่ท่านไปสรรเสริญทั้งทั้งได้เป็นความคิดของท่านเอง ผู้ใหญ่ก็ทราบว่าความคิดนี้เป็นความคิดของผู้น้อยแต่ในเมื่อได้รับฟังคําฟังคิดของผู้น้อยไปแพร่หลายอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ดีใจนี่การที่ทําตนเป็นคนไม่แข็งกันด้างแต่ผู้ใหญ่เนี่ยประโยชน์มันเป็นอย่างนี้นี่ตอนหนึ่งที่กล่าวว่าไม่เยื่อยิงไี้ความถนองตน มีการถือตนว่ามีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดอันนี้ไม่เป็นของดีเลยสัพปะจาจต ก, กรรมคือการถ่อมตนมาเสมอเสมอไม่ได้การถ่อมตนน่ะถึงว่าเป็นเสน่ห์ใหญ่แต่ว่าเราไม่ได้ถ่อมจนเลยไปก็มีโอกาสใช้ความคิดความอ่านให้มันเป็นประโยชน์นีก็เหมือนกับข้อแรกนะั่นแหละ จะใช้วิธีการอย่างไรก็ใช้ด้วยวิธีการละุลละมล่อมจะสร้างกำลังใจเขาคนผู้พบเห็นให้เกิดความรักท่านนี้ท่านพูดต่อไปอีกว่าประกอบตะกิดที่เป็นสุจริตธรรมคือความจริงเป็นสัจจะอันหนึ่งที่ทรงความสุขให้แก่คนทุกคนแลระว่าพมบาลีมีว่านัตถิโลกกโลโหนนามะความลับไม่มีในโลก ในเมื่อโลกมันไม่มีความรับระเบิดทำทุจริตว่าที่ไหนไม่ช้าเขาก็จับได้ดังนั้การปฏิบัติเิจในการสุจริตคือความบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขน่าคิดท่านพูดอีกตอนหนึ่งว่าวาจาแต่ละถ้อยคำที่น่าฟังก่อให้เกิดไมตรีนี่ที่ท่านบอกว่า วาจาเนี่ยเป็นอาวุธที่มีความสำคัญมากการจะพูดอะไรออกไปนี่ต้องคิดก่อนอย่าใช้วาจาให้เป็นเครื่องกระทบกระเทือนใจตามที่องค์สมเด็จพระจอมใจทรงกล่าวว่าหนึ่งเราไม่พูดปดพูดปดเป็นวาจาที่ทุกคนไม่ชอบสองอย่าพูดคำหยาบ พูดคำหยาบก็เป็นวาจาที่คนอื่นไม่ชอบเหมือนกันสามอย่ า, า, ยาใช้วาจาสอ่อเสียดยุยงให้เขาแตกราสิ่งกันในกันนี่มันจะมีผลร้ายมาถึงเราแล้วก็สี่วาจาเพื่อเจอเหลวไหลไร้ประโยชน์เราไม่พูดเป็นนั้นว่าวาจาเนี่ยเป็นของดีต้องระมัดระวัง ถ้าพูดราดไปคำเดียวประโยชน์ใหญ่อาจจะพ้นไปจากเราก็ได้หรือไม่ฉี่นั้นชีวิตของเราอาจจะตายก็ได้ในข้อต่อไปที่กล่าวว่าสงเคราะห์ญาติมิตรตามสมควรตามสมควรหมายความว่าญาติก็ดีมิก็ดีถ้าเขาขาดไฟเราก็ให้ไฟว่าขาดน้ำล้วก็ให้น้ำ เขาขาดอะไรแล้วก็ให้สิ่งนั้นตามความเหมาะสมคําว่าตามสมควรไม่ใช่ทุ่มเทเกินไปถ้าว่าเขานําเอาไปกินดื่มสุรามราีไรเล่นกาพนันที่เราไม่ควรให้หรือไปใช้ลู่ช่วยแฉกติดผู้หญิงหากินนอกบ้านอันนี้ไม่ควรให้แต่ว่าถ้าเราจะให้เพื่อการสงเคราะห์เขาหิวเราให้วันบรรเทาความหิว เขาเดือดร้อนให้บรรเทาการเดือดร้อนอันนี้เป็นการสมควร น, นี้ก็ต้นเป็นตัวสเสน่ห์นี่ครวาตน่าจะทํากันแม่มาคิดว่าไม่ใช่แต่ครวาตหรอกแม้แต่พระก็ควรจะทําเพราะว่าพระที่บวชมาจากครวาตเนี่ยไม่แน่นักกว่าจิตใจท่านจะเป็นพระร้อยเปอร์เซนดีไม่ดีถ้าคั้ายๆคํ า, าคสอนของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แต่หวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคงจะเข้าใจว่าพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ได้สอนเลื่อนลอยไปจนเกินความสุขปัจจุบันท่านสอนมีเหตุมีผลสอนคนให้มีความสุขในการครองเรือนด้วยสอนคนให้มีความสุขในการทรงตัวเพื่อธรรมะ เพื่อเกิดในภพต่างๆที่มีความสุขเช่นสวรรค์พรมโลกและนิพพานนี่เย็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระพิชิตมาเนนะี่ยไม่ใช่เกินวิสัยที่คนทั้หลายจะพึงปฏิบัติได้ว่ากันในข้อต่อไปท่านบอกว่าให้ความช่วยเหลือทั้งทางการงานและการเงินเท่าที่จะช่วยเหลือได้โดยไม่ ด, ไดูดายอันนี้ไม่ต้องอธิบาย และก็สมคบกับผู้มีศีลเป็นผู้มีความทรงจำดีในด้านของธรรมะและปฏิบัติบำรุงสมณะชีพรามเป็นนิจจะเป็นความสุขอาบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ก็คงจะไม่ต้องอธิบายมากผู้มีศีลคือคนดีผู้เาวาสูตรเมื่อทรงจำมาได้ดีอย่างทรงจำพระไตรวิฎก นี่เรื่องนี้ก็อยู่ในพระไทจพีดกไม่ใช่มคาค้านพระพุทธเจา้าอ่ะเทวดาไม่มีผีไม่มีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็การปฏิบัติเพื่อท่องเที่ยวนรกสวรรค์ไม่มีมีพระพุทธเจา้าดานสอนไว้นะมีแล้ววามรู้สมณชีพรามเป็นนิดไหมยรัเราให้ตามกิจที่เราไม่เกินความสามารถเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัท วันนี้มาย้อนวิจารณ์กันในคำแนะนำในด้านครวญของท่านวิทุระบัณฑิตก็ยังไม่หมดแต่ว่าเวลามันหมดจะ ต, ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทไปก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจ้งมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี์